คาถาที่25ว่าไปพารานสีที่ทุกท่าต้องไปคิดถึงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าให้เยอะๆหน่อยว่ารายละเอียดพารานสีพารานสีฉะนั้นเลยเพราะว่าถือว่าพารานสีเป็นเมืองหลวงของอินเดียโบราณนะในเมืองหลวงที่ใหญ่มากพระเจ้าในกรุงพารานสีพระราชาพระนามว่าวิภูสกะพรหมทัตสวยข้าวยาคูคือข้าวต้มหรือพระกยอาหารแต่เช้าตรู เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงให้ตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับนานาชนิดพระองค์ส่องพระวรากายทั้งสิ้นในพระฉายใหญ่ก็ แ, แต่งตัวเสร็จก็ไปส่องกระจกทรงเอาเครื่องประดับที่ไม่ต้องการออกเสียให้พนักงานตกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างอื่นไหมเพราะว่าแต่งตัวเสร็จไปส่องยืนหน้ากระจกไม่ถูกใจอ๋ออ๋อก็แต่งใหม่ในวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทําอย่างนั้นก็ถึงเวลาสวยพระกยาหารเที่ยงทานข้าวต้มเสร็จสวอยข้าวต้มเสร็จแต่งตัวไปจนถึงเที่ยง เสร็จแล้วครั้งนั้นพระองค์ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จเลยถึงทรงอ่าใครเรียกว่าก็ทรงพกพระพพผ้าเสร็จแล้วก็เข้าไปที่บรรทมกลางวันน ะ, สะเสวยเสร็จฉันสเสวยเสร็จนอนก่อนดีกว่าก็เลยลุกขึ้นกระทาอย่างนั้นอีกก็ไปแต่งตัวใหม่เนี่ยนะพอพักผ่อนตื่นมาสเสวยเสร็จพักผ่อนเรียบร้อยนอนนอนเสร็จก็เอาไปแต่งตัวใหม่อาทิตย์ก็ดับเนะี่ยแต่งตั้งแต่เที่ยงเลยนะแต่บ่ายๆเลยนะจนค่ำอีกก็แต่งยังไม่เสร็จ วันที่สองก็อย่างนี้อีกวันที่สามก็อย่างนี้อีกใครขนาดนี้บ้างเนาะยุคเรานี่ไม่ก็แต่งตัวกันขนาดนี้นะแต่งให้รอแล้วรอเองนะหลายคนสา ม, มีบางคนโบนจริงๆมัน จ, จะแต่งอะไรกันขนาดนั้นกรอก็ไม่มาสักทีนึ่งนะแต่งอยูนนั่นแหละ <c oughs> พังกก็วันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ว พระองค์ก็ขวนขวายแต่การตกแต่งอย่างนั้นจนเกิดโรคปวดหลังอ่ะที่ดูให้คนแต่งให้เนี่ยนะนั่งแต่งตัวแลปวดหลังเลยนะแต่งเสร็จก็ไปยืนสองกระจกสองกระจกไม่ถูกใจแต่งใหม่ต้นปวดหลังเลยอะ่ะพระองค์ก็เลยมาฉลาดแล้วปวดหลังก็ฉลาดขึ้นนะครับเนี่ยตอนแรกก็เข่าใช่ไหมอยากงามมากพอแต่งเสร็จก็เลยโอ้โหเราอันนี้โมแต่ตกแต่งหมดเรีย่ยวหมดแรงหมดเลยนะแต่งก็หมดแรง ก็ไม่พอใจในเครื่องประดับที่สมควรคิดว่าเอาเครื่องประดับเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ทุกชุดเลยนะเอามาลองลองลองลองไม่เข้าในความคิดเขามาเข้าใจแล้วว่าพระราชานี่รูปไม่หล่อแ น, น่นอนก็าแต่งยังไงมันก็ไม่เข้ากับตัวใช่ไหมเอาเครื่องประดับยังไงก็ไม่เข้ากับตัวก็เลยโอ้เห็นถูกใจเลยก็เลยบอกโอไม่มีเครื่องประดับไหนที่สมควรเลยเพราะอะไรก็ไม่พอใจในเครื่องประดับยังความโลภให้เกิดขึ้นอีก นี่ขนาดแต่งชุดไหนชุดไหนก็ยังไม่ถูกใจต้องการไอ้ชุดยิ่งยิ่งกว่านี้อีกแม่ความโลภนี่มันก็ไม่เคยพอไม่เคยหยุดเคยยอนเลยนะก็เลยไอ้ความโลภนี่แหละมันทําให้ตกนรกเหมนะือนาท่านคิดเก่งนะท่านคิดนะตอนที่เมากับการแต่งตัวนี่ก็เมาสามสี่วันจนปวดหลังหมดก็คิดดวนนั่งแต่งตัวอย่างเดียวเนะี่ยคนแต่งใส่มันเมื่อยเต็มทีเหมือนไนงะสารคนแต่งเหมือนกัน แล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วว่าไอตัวโลภนี่แหละไอตัวที่ติดใจในเครื่องประดับนี่แหละจะทําให้ตกนรกเกิดเป็นปลายเปรอสุรกายและเดรฉ า, านทั้งหลายดูนกปลายางนี่แต่งตัวทั้งขาวพโพลนหมดเลยไงนี่ก็เลยเห็นโทษแล้วไม่เอาละแต่งถ้าแต่งงามจริงๆก็เท่านกยุงแหละเคยเห็นนกยูงไหมแต่งถ้าลวดลายวิจิตพิสดารและเกินเนี่ยแต่งอย่างมากก็แต่งได้เท่านกยุงอ่นะราแพ้แล้วก็งามเมาในลีลาของตัวเองอีกนั่นแหละนั่นก็ ถ้าว่าแต่งยังไงก็สู้เดรัจฉานไม่ได้ในชะ่ไไอ้ยิ่งแต่งมันก็ยิ่งในที่สุดไปไหนเราโอ้ยเอาเธอเอาเธอพอแล้วข่มความโลภดีกว่าสละราชสมบัติบวชอนะไรอย่างแต่งตัวจนบวชอนะ่าเงยไม่ไหวแล้วอนะั่างเง้ยคือคนที่มีอุปนิสัยเนี่ยแต่งตัวอย่างสังเวชเลยคิดดูขอให้มีอุปนิสยัยให้มีทยท า, ายาศัยขอให้สั่งสมบุญให้ดีเธอเนี่ยนะอินทรีย์บารมีแก่กล้าไปอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะบรรลุได้นี่ขนาดแต่งตัวก็ยังออกบวชได้เลยนะคนอื่นแต่งไม่รู้แต่งเท่าไหร่ยังเฉ่า้นน ในที่สุดท่านก็เจริญวิปัสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานแล้วก็อุทานว่าบุคคลไม่พอใจในการเล่นความยินดีไม่พอใจในการมาสุขในโลกแล้วไม่เพ่งเล็งอยู่เว้นจากฐานะแห่งการประดับมีปกติกล่าวคำสัตว์พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้นนะนะที่เรียกว่า ไม่พอใจในการมาสุขทั้งหลายก็คือสุกในอะไรสุกในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายเรียกว่าสุกเพราะเป็นเป็นอารมณ์เป็นต้นของความสุขเครียกวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปมีอยู่ความสุขติดตามนะความสุขติดตามความสุขก็เพราะมีรูปที่ตัวเองปรารถนาก็ยังมีความสุขถามว่าถ้ารูปที่ตั้งแห่งความปรารถนาหมดไปล่ะทุกอย่างเดียวเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ไม่พอใจไม่ทำความพอใจละการเล่นการยินดีในการมาสุขเหล่านั้นอย่างนี้แล้วไม่ถือสิ่งนั้นว่าก่อความเดือดร้อนไม่ถือสิ่งนั้นว่าเป็นสาระเนี่ยนะก็ไม่ได้ถื อ, อรูปเป็นต้นว่าเป็นสาระแล้วไม่เพ่งเล็งไม่มีความอยากไม่มีความทะเยอทะยานเนี่ยนะ เ, เห็นเครื่องเห็น เว้นจากฐานะแห่งการประดับก็คือการประดับของคารวาสกับการประดับของบรรพชิตเน่ยอย่าคิดว่าพระไม่แต่งตัว น, ะนั้นไม่มีอะไรเนี่ยคารวาสประดับก็คืออะไรประดับผ้าสาดกผ้าโพกดอกไม้ของหอมเป็นต้นส่วนเครื่องประดับของบรรพชิตก็มวัว แ, แต่แต่งบาดอยู่นั่นแะละถักตลกบาดไปเป็นเดือนๆในเสดสักทีถักรื้อๆถักถักรื้อยนั่นแหละนะแต่งขาบาดเลา้าทั้งเลา้าถักเล้าทําเสร็จนะก็ไม่ถูกใจเอาใหม่ อยู่นั่นแหละบางทีโอ้ยอะไรนะสลกบาดกับขาบาดเนี่ยเป็นเดือนๆือนไม่เสร็จซาบทีเนี่ยนะบอกโอ้ยถ้าใครไปชมใครใครไปดูของใครก็นักกันนานาะงั้นพวกนี้ใคร อ, อะไรนะถ้าเราพูดอย่างนี้บอพวกไม่มีรสนิยมพวงนั้นและแต่จะเรียกเธอว่างั้นในจูลนิเทศอธิบายว่าพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้าไม่ทําความพอใจในการเล่นความยินดีและการมัสุขในโลก ไม่อะไหยเว้นจากฐานะแห่งเครื่องประดับเป็นผู้ผูจริงพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกอธิบายว่าการเล่นมีสองอย่างนะก็คือการเล่นทางกายกับการเล่นทางวาจาส่วนความยินดีก็คือความยินดีเครื่องเป็นผู้ไม่กสันส่วนกรรมาสุขการมมาสุขคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายกรรมคุณหประการนี้ห้าประการเป็นนะไน รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโพธาภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันหน้าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการมาคุณห้าประการนี้แหลดูก่อนพิสูุทั้งหลาย สุขโสมนัสใดาอาศัยการมคุณหประการนี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสนี้เรียกว่าการมาสุขเ mm. นี่ยนะพระประเจคพระพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าไม่พอใจในการมาสุขเนี่ยนะก็คำว่าไม่พอใจไม่ใช่แปลว่าโกรธนะแปลว่าเห็นโทษของการมมาสุขทั้งหลายก็ไม่ทำความพอใจในการมาสุขก็คือไม่ทำความพอใจไม่อะไรก็คือไม่ทาความพอใจซึ่งการเล่นการยินดีในกามาสุขในโลก เป็นผู้ไม่มีอะไรคือละบรรเทาทําทให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีเรียกว่าไม่ทําความพอใจไม่มีอะไรเกี่ยวกับเครื่องประดับเนี่ยมาดูเครื่องประดับกอเครื่องประดับของเครือข่ากับเครื่องประดับของบรนประชิตเครื่องประดับของเครือข่าเป็นยังไงก็บอกว่า เครื่องประดับของเครือข huh. oh ่เป็นฉนัยผมนะแต่งผมแต่งหนวดแต่งดอกไม้แต่งของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวแต่งผ้าแต่งเครื่องประดับสีสษะผ้าโูกเครื่องอกเนี่ยนะเครื่องนวดเครื่องนวดเครื่องอาบน้ำเครื่องตัดกระจกเงายาหยอดตาดอกไม้เครื่องรูปไล่เครื่องทาปากผัดหน้าผูกข้อมือผูกมวยผมไม้เท้ากล้องยาดาบร่มรองเท้ากรอบหน้า ผ้าขนสัพผ้าขาวผ้ามีชายยาวเครื่องประดับดังกล่าวมาเรียกว่าเครื่องประดับของครือหัดเนี่ยนะโอโ้โลกของเครื่องประดับวิจิตรอลังการอางเ้ยส่วนเครื่องประดับของบรรดาชิตบ้างล่ะประดับจีวรประดับบาทประดับเสนาสนะประดับตบประดับตบแต่งเนี่ยนะก็แต่งกุฏิสจนโอ้โหวางมากนะแต่งกุฏิแต่งแล้วแต่งเอียงนั่นแหละตบแต่งการเล่นเล่ น, ลนรอบกำหนัดเพลิดเพลินพลิกแปลงเป็นผู้พลิพลกแปลงซึ่งอะไรวะ ตอแต่งเพลคเพลงซึ่งอะไรนะใช้คําหนักหมักว่ากายกายอันเปือยเน่านี้แต่งกายที่เน่าอยู่นั่นแหละไม่แต่งไม่เลิกสักทีว่างั้นหรือบางทีก็แต่งบริการภายนอกการประดับการนี้เรียกว่าการประดับของบรรปะชิตส่วนคําว่าเป็นผู้พูดจริงนะนะตอนแรก็บอกว่านะพระประเจกับพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะไม่ทําความพอใจไม่อะไรใน การเล่นการมาสุขในโลกไม่มีอะไรเว้นจากฐานะการแต่งการประดับแบบนั้นแล้วเป็นผู้พูดจริงคําว่าผู้พูดจริงก็คือพระประเจกับพะพุทธเจ้านั้นเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคําศัพท์เชื่อมคําศัพท์แล้วว่าก่อนหน้านี้ก็พูดจริงแล้วก็คำพูดนั้นพูดเมื่อไหร่ก็พูดพูดอย่างนั้นเพราะคําที่พูดนั้นเป็นความจริงเนี่ยนะก็ไม่ต้องอะไรนะบางคนเนี่ยมูสาจนอย่างที่เขาว่าเจ้าหน้าที่ c ี a คนหนึ่ง แกเป็นนักหลอกลวงมากเลยนะก็ไปเที่ยวหลอกๆหลอกๆว่าไปหลอกโดยเฉพาะหลอกผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายเที่ยวหลอกผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวแต่งงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปลอกลอกเขาหมดตัวก็แต่งใหม่ปลอกลอกหมดตัวก็แต่งใหม่จนในที่สุดกด็ผู้หญิงคนสุดท้ายก็ฟ้องถูกจับถูกจับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปสอบสวนก็ถามว่าครั้งแรกนี่คุณชื่ออะไรบอกจําไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อซะ จ, จนตัวเองเนี่ยจำตัวเองไม่ได้แล้วแทบจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาแล้วนะเพราะมันมันสร้างเรื่องมันหลอกลวงเนี่ยนะปลอกลอกคนอื่นไปเยอะเนี่ย จนจนคนสุดท้ายเนี่ยเขาฟ้องร้องอ่ะนะฟ้องร้องอะไรเข้าคุกเล ย, ยนี่ครบางคนเนี่ยคำสัตว์มันไม่ต่อคําสัตว์เลยนะก่อนก็อย่างหนึ่งเช้าก็อย่างเย็นก็อย่างหนึ่งว่าโอ้เพราะว่าใครที่พูดคำไม่เป็นสัตว์เนะีย่ยพยายามอย่าพูดตามเด็ดขาดพูดตามอะไรก็เสียคนเลยนั่นก็พันเดีย๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพระพเจกกับพุทธเจ้าเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคําสัตว์กับคําสัตว์มีถ้อยคําเป็น หลักฐานเนี่ยนะคือคําพูดไม่ใช่พูดแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่คําพูดที่เชื่อถืออด้เชื่อถือได้ไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนแก่โลกเนี่ยนะก็พูดคือพูดตามที่โลกมันเป็นเช่นเห็นก็ว่าเห็นได้ยินก็ว่าได้ยินทราบก็ว่าทราบรู้ก็ว่ารู้ไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยนะแต่มันแปลว่าไม่ใช่จำเป็นว่าเอา้าความจริงนี่ต้องพูดเสมอไปใช่ไหมพูดก็วพูดความจริงเนี่ยดีใช่ไหมดีถ้าพูดผิดที่ก็เดือดร้อน มันก็ต้องพูดเป็นอ่ะนะเพราะว่าองค์ของสัมมาวาจามีอีกเรียอว่าพูดถูกการพูดถูกสถานที่อะ น, นะเวลาไหนเหมาะส ม, มไม่เหมาะสมสถานที่ที่ไหนแล้วควรพูดกับใครพูดว่ายอย่างไรแล้ววิธีการพูดอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการใช้คาจริงแต่ถ้าพูดจริงโดยที่ไม่มีองค์ประกอบสัจจังเวอมะตะวาจานความจริงเนี่ยถ้าฟังแล้วเนี่ยจะทาให้ถึงความ้นจากความตายใช่ไห แต่ถ้าพูดไม่เป็นพูดไม่ถูกพูดไม่พูดจริงแต่พูดผิดเวลาเป็นต้นก็เดือดร้อนแน่เลยนะเพราะก็อย่าลืมว่าในโลกนี้นะของอะไรถ้าใช้ผิดประเภทก็เสียหายฉันใดคําจริงก็เหมือนการจะต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้ให้เหมาะสมนั้นจึงเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคําศัพท์ต่อคําศัพท์มีถ้อยคําเป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนแก่โลก เวน้นทั่วงดเวน้นออกไปสลัดไปหลุดพ้นพรากไปจากฐานะแห่งเครื่องประดับมีจิตใจปราศจากเหตแดนก็เพราะว่าไม่มีอะไรนี่นะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยสรุปว่าพระประเจกขพุทธเจ้าไม่ทําความพอใจซึ่งการเล่นความยินดีและการมาสุขในโลกไม่อารยเวน้นจากฐานะแห่งเครื่องประดับเป็นผู้ผู้จริงพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกฉะนั้นนี่นะก็บรรลุอีกองค์หนึ่ง